เท่าที่กล่าวมานี้อาจสรุปว่าตามปกติมนุษย์ปุตุชนเมื่อจะคิดอะไรก็ย่อมคิดเพื่อสนองตันหาในรูปใดรูปหนึ่งถ้าไม่คิดตามแนวทิศฐิเช่นค่านิยมเป็นต้นซึ่งตันหาอาศัยอวิชชาปรุงแต่งไว้ก่อนแล้วก็จะคิดไปตามอำนาจของตันหาสดในเวลานั้นๆซึ่งอาจเป็นไปโดยอาการของความอยากที่ยางเรียกว่าเป็นตันหาโดยตรงบาง โดยการถือตัวเชิดชูระวังฐานะของตัวตนที่เรียกว่ามานะบ้างตลอดจนความยึดถือที่จับตัวเป็นทิฏฐิท่านจึงเรียกความคิดของปุตตชนเช่นนี้ว่าประกอบด้วยอหังการมะมังการและมานานุสัยหรือเรียกสั้นๆว่ามีตัณหามานะและทิฏฐิเป็นตัวสารในชักใหญ่อยู่ความคิดของปุตุชนนั้นจึงอาจเรียกได้ว่า เป็นบริการของจิตที่รับใช้ตัณหาลักษณะของการคิดเพื่อสนองตัณหานั้นเป็นไปได้ทั้งในทางบวกและทางลบด้านบวกออกมาในรูปของการมาสังกับปักคือคิดเอาคิดปรมเรลอบำเร่อตนด้านลบออกมาในรูปของพยาบาทสังกับปะคือคิดขาดคิดแง่ร้ายคิดเป็นปฏิปักษ์เห็นเขาเป็นศัตรูกลัวเขาจะมาแย่งมาคัด คิดกระทบกระทั่งไม่พอใจเกลียดชังและวิหิงสาสังกัปปะคือคิดรกรานคิดทำลายคิดไล่ล่าคมเหงอย่างไรก็ตามความคิดสนองตันหานั้นอาจถูกหักล้างด้วยโยนิโสมนสิการที่มองดูตามสภาวะความคิดที่ประกอบกับโยนิโสมนสิการเช่นนี้ไม่มีกามไม่มีพยาบาทไม่มีวิหิงสา จึงบริสุทธ์ตรงความจริงไม่เอ็นเอียงติดข้องหรือปัดเหหไปข้างใดข้างหนึ่งและจึงเป็นความคิดที่มีขอบเขตกว้างขวางอาจให้ความหมายของสัมมาสังกัปปะในแง่นี้ได้ว่าจะคิดอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เป็นการจะเอาจะปลนเปรอยตัวไม่ใช่มุ่งร้ายหรือหมายคมเหงรังแกเบียดเบียนใครนี้เป็นด้านปัญญา เกือกูลแก่สัมมาทิฏฐิโดยตรงอีกด้านหนึ่งความคิดสนองตัณหานั้นอาจถูกหักล้างด้วยโยนิโสมนสิการแบบปลุกเร้ากุศลธรรมความคิดที่ประกอบด้วยโยนิโสมนสิการแบบนี้เป็นความคิดแบบตรงข้ามกับการพยาบาทและวิหิงสาคือคิดสละมีเมตตามีกรุณาเป็นการสร้างเสริมกุศลธรรมเฉเพาะอย่าง สัมมาสังกัปปะแง่นี้แม้จะเกื้อกูลแก่สัมมาทิฏฐิแต่เป็นแง่ที่สัมพันธ์กับศีลโดยตรงคือนำไปสู่สัมมาวาจาสัมมากรรมตะและสัมมาอาชิวะอาจเขียนให้ง่ายขึ้นดังนี้หมายเหตุกรุณาดูแผนภูมิที่14ทับหนึ่งประกอบด้วยแผนภูมินี้อ่านได้ดังนี้สัมมาสังกัปปะมีสามอย่าง คือเนฆ์ข ม, มะสังกัปปะอภยาบาทสังกัปปะและ อ, อวิหิงสาสังกัปปะเมื่อดูในแง่นำมาหักล้างความคิดสนองตันหาก็จะแบ่งสัมมาสังกัปปะได้เป็นความคิดสองแบบคือ 1. แบบโยนิโมนสมณสิการที่มองดูตามสภาวะคือความคิดที่ไร้กามไร้พยาบาทไรวิหิงสาเกื้อกูลแก่สัมมาทิฏฐิโดยตรง แต่ก็นำไปสู่สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชิวะได้ด้วยกับ 2. แบบโยนิโสมนสิการแบบปลุกเร้ากุศลธรรมคือเสียสละมีเมตตามีการุณานำไปสู่สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชิวะโดยตรงแต่ก็นำไปสู่สัมมาทิฏฐิได้ด้วยพึงทราบว่าการแบ่งเช่นนี้ ไม่ใช่เป็นการแยกขาดจากกันสิ้นเชิงแต่เป็นการแบ่งพอให้เห็นผลที่เด่นในแต่ละด้านเท่านั้น